เลิกแล้วค่ะแล้วค่ะหนูเลิกกับเผาแล้ว แล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิก เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว ก็ยังรับค่ะเลิกแล้วค่ะคิดมีใหม่รับ คิดมีไหมไม่บอกใครนอกจากเฮีย